ปุชาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตาเนระุัตักผีนานอยู่ตอนยิ่งหาก็ยิ่งตันเพราะตันทาตอนที่สองไม่จะบ่างเราจะต้องไปเนี่ยผว่ามันรู้แจ้งให้เห็นให้เป็นให้ขาหนังขาเขาขาตาขาใจภายในขาสติปัญญาภายในเลยมันเป็นไปไม่ได้ มันต้องหยุดไงหยุดถ้ากระตับมาหลายตอนแล้วหยุดเนี่ยแต่บางทีมันทีมนท่มันมันทิ้งแรงๆ น, ๆนีมันนา <c oughs> นจะมีทคนทีเพราะวมามันจะโอ๋อโ อ, โอโๆๆดําเดแต่ที่เข้าเนื่อย่างเมื่อวานเนี่ยเธอมันก็ได้ช็อตเล่ยม า, มาเป็นกำลังขึ้นเยอะเลยถ้าในภายในใจหยุดไม่สนิทนะหยุดดิบนนหยุดค้นหา หยุดกิริยาการจิตที่ปุ่งแสงอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็น อ, อยากเข้าใจหยุดสนิทไม่ได้นะคนทุกไม่ได้จบไม่จบไม่ได้ก็คือคือโดยโปกติโอ้โหมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันนะหรือว่ามันมีช่วงที่ผ่อนอย่างนีนมันเนี่ยมันเป็นทั้งวันแต่มันมีหนักมีเบามีกลาง<ห>ไม่ได้เท่ากันเสมอกัน<ห>คุณไม่ดูเหรอในในคุณหนังสือ ที่ที่ท่านหลวงพอ่อตุจินที่เอาคาเขียนของหลวงปู่ดูลยนัตโรมาเขียนเนี่ยคุณแปลว่าเอเรนนั้ น, หนแหะมันผมไดไว้ที่กุศิเละที่บอกว่าหยุดกิริยาจิตหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแตง่งประโยคนี้เป็นประโยคเด็ดเลยเออเนี่ยนีนีนนนนที่หลวงพอ่อตุจินเอามายกบ่อยๆเาได้ยินหมว่างสรุดคิดยุดความปรุงแตง่ง ห, หยุดการเสางหาหยุดกิริยาจิต ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างทำไมคุณพูดแล้วไม่เข้าถึงใจอแตะไรคุณทําตรงข้ามจําได้เลยตือทําไมคุณทําตรงข้ามเลยในคุณพูดได้แหละในคุณพูดซ้ำใหมเที่ทําไมคุณคุณพูดได้แต่ทําไมใจคุณไม่คุณทําตรงข้ามกว่าที่คุณพูดเลยชื่อก็ใจเน่ะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการปุงแต่งยุดการแสวงหาหดกิริยากิจไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่นะหัวใจ ยังท่องนพูดบ่อยมากเนี่ยแล้วทําไมทำไมคุณพูดอย่างแล้วใจคุณเป็นอย่างเลยทาไมคุณเอ๊ะกิริยาแสดงว่าไอ้ที่ปรุงหาทั้งหมดเลยมันเป็นกิริยาของมันถุกต่ำประโยคนี้ผมฟังบ่อยมากอืมแต่มันก็ไม่เคยลึกซึ้งเท่าหร่าใจมือกนี่เลยเนี่ยหัวใจอยู่ตรงนี้เลยจะ่คุณพูดนี่แหละ นี่คือคำสอนของหลวงปู่ดุนัตุโลเนี่ ย, ยติลพุตจินเนี่ยโอ้โหพูดบ่อยมากเลยนะเอามาเขียนในหนังสือด้วยเราเห็นในเอาเสือของคุณไปอ่านเนี่ยแล้วท่านพูดบ่อยมากประโยชน์เป็ตนตัวในว่างสว่างบริสุทธิ์เนีลยอะไรนะว่างว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการปรุงแต่งหยุดการปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหาหยุดการสแสวงหา จยุดกิริยาจิตไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไ ม, ม ไ, ไม่เหลืออะไรข้าศัตรไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรข้าศัตรูไม่เหลืออะไรข้าศัตรูแต่ทำไมคุณจาได้หมดเลยละ่ะมันได้ยินบ่อยมาก <ếu đang> <Correct> แล้วทำไมใจคุณนะทําตรงข้ามละ่ะอ๋อนี่คือหัวใจเลยใช่เนี่ยคือจุดจบเลยจบสนิทเลยและห ย, ย, ยุดสนิทเลยดับสนิทเลยใ่ได้ยินบ่อยมาก ได้ยินมานานแล้วก่อนละไลุงพ่อระโมดก็พูดบ่อครับเ<ช>นี่ยความเป็นคําสอนหลวงปู่ ด, ดูลใช่ลุ ง, งพ่อคุยเยอะพูดบ่อยมากจับจิตคือผู้คิดพูดเล็กผู้รู้ผู้ฟุผู้แต่รู้ใช่ใจะแต่แต่คิดหยุดคิดยาสมคิดออกนอก น, นี่ประโยคนี้ลุงพ่อใช่น <laughs> ้องไประโยคนี้พูดบ่อยมากอะไรได้อีกงานอะไรนะหยุดอะไรนะ <laughs> ิดคือผู้คิด จิตค like, no <that> so ือผู้คิดผู้นึกผู้นึกผู้ปรุงผู้ปรุงผู้แต่งผู้แต่งรู้เฉยร้เฉยแต่ไม่คิดแต่ไม่คิดหยุดคิดหยุบคิดอยากตัดสินอยากตัดสินอนี่ยเนี่ยเราเรียกต่อต่อนี่สิต่อต่อเมื่อกี้น่ะที่บอกว่าว่าแล้วมันก็จะมันอันนี้พออันนี้แหลกปุ๊บมันก็จะมาต่อสุดท้ายนี่ว่างนั่นแหละสว่างบริสุทธิ์รหยุดการปรุงแต่ง จิตการสวงหาจิตกริยาจิตจิตกิริยาจิตไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรทั้งหมดไม่เหลืออะไรสักอ ย, ย, ย่างมันต้องเอาอันนั้นนำมาไว้หัวในเนี่ยสดท้ายแร้วท่านล อ, อ, องดูให้ดีนี่จิตใจของท่านเนี่ยนขณาปัจจุบันนี้เป็นอย่างที่พูดไั้นะหรือท่านทำตรงข้าม อันนี้คือจุดจบเลยของปูดินเนี่ยทั้งเหตุและผลมันอยู่ในนี้หมดเลยในในในสองท่อนเนี่ยผมได้ยินบ่อยแต่ผมมันคือทำตรงข้า ม, นนมกันเลยใช่มันจนกลายเป็นทำที่พื้นไปเลยนะั่นจริงจริงนี่ ท, นทำที่มีภาพมากใช่สุดต่อครับมันมันจะเป็นไหมครับคือคือเราต้องมีพวก สมาธิทีท่ให้จิตมันนี้กาลังเยอะๆในการที่จออกมาใช้ที่ศาสนานไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่มีเงื่อนไขถ้าท่านมีเงื่อนไขใดๆท่านจะไป ท, ทํามันสักทีนี่คือนอกเหตุเหนือผลนั่เ <c oughs> พราะว่าจริงๆผมผมก็จริงๆผมทิ้งความคิดตรงนี้มาแล้วจะไม่ใช่จริงหรอกคือเลิกเลิกทําแบบนั้นหนักแ น, น่แนหละตั้งใจมาเพราะเลิกไม่ใช่เลิอกอ่ะ มันเป็นความเข้าใจกันบนึ่งนึงว่ที่ว่าจะต้องนัง่งสมามันานแล้ค่อยออกมาพิจารณาแต่ก่อนมั น, ม, นมันทําแบบนั้นคุณเนี่ยเดี๋ยวนี้ยคอยหมั่นพี่เอาไปพี่ ล, ลองหมั่นพิจารณบ่อ ย, ยในจิตของตัวเองอสังเกตเห็นเห็นบ่อยๆว่าภายในจิตของคุณเนี่ยมันทําตรงข้ามกับที่คุณพูดเน่ไอ้ไอ้ไ อ, อ, อ้สองท่อนเนี่ยเมื่อกี้นี้คําสอนพูดุษสองท่อนเนี่ยคุณทําตรงข้ามหรือว่าคุณทําแบบที่บูรุษ่อน เรางพูดดุนพูดคุณท้องได้หมดเลยจนขึ้นใจแต่ภายในคุณเองเนี่ยภายในจิตคุณเองเนี่ยทําตกลงข้ามหมดทุกอย่างเลยตอนเนี้ที่ผมเห็นเนี่ยหยุดหน้าผมเนี่ยคุณทําตรงข้ามเดี๋ยวนี้เลยปัจจุบันเนี่ยคุณเนี่ยถ้ารู้ก็จะขําไปไม่ต้องเครียดรู้เราก็เรารู้เราเห็นมันมันจะได้มันจะได้วางไปได้ไงเราไม่รู้ไม่เห็นมันว่าเรากำลังทำอยู่เนี่ยมันทำตรงข้ามอยู่เราก็ไม่วางเลยเราต้องเห็นมัน่ะต้องต้องเห็นมันว่าอ่เนี่ย เนี่ยเรากำลังทําตรงข้ามเลยเนะี่ยกิริยาการแบบเนี้ยกิริยาการแบบเนี้ยกิริยาการแบบเนี้ยกริยาการแบบเนี้ ย, าาบบยาาบบที่มันเกิดทุกวนนี้ปัจจุบันอะ่ะที่มันตรงกันข้ามกับที่คุณท่องเ ม, นะมื่อกี้เนี่ยคุณต้องวางทันทีถ้าคุณไม่เห็นแะล้วคุณจะวางอะไรไม่เห็นก็หลงคุณก็หลงทําตามตรงกันข้ามไปหมดแหละแล้วคุณไม่เห็นไงพราคุณไม่เห็นว่ามันหลงแล้วคุณจะหายหลงได้ไงคุณก็หลงปงแต่งหลง หลงคิดหลงนึกหลงปรุงแต่งหลงแสดงกิริยาการทางจิตที่มันไปในทางกิเลสตัณหาเ น, นี่ยนะคุณก็ไม่เห็นมันเปตัณหาที่ผมบอกพยายามชี้คุณจะไบอกว่าเฮ้ยตัณหาอยู่ไมหมเ น, นี่ยคุณคิดคุณนึกคุณตื่คุ ณ, คณตองตัณหาไม่ไหนนะ่อยนี่น่ัณหา ถ, ถ้าโดยรวมแล้วความหลงของผมมันมันตั้งหลงโอยที่มันจะตรงนี้มามันก็อยู่กับปัญญาแล้วปัญญาก็คุณจะหยุดกิริยา ก, การจิตจิตปรุงแต่งไม่ได้ยังไง ตันกิยาการจิดแดงเป็นกยายการที่เป็นตัณหาในขณะปัจจุบันทุกขณะัจจุบันคุณต้องรู้ต้องเห็นแล้วหยุดมันให้ได้ดูวางมันลงไปหยุดคือดูวางาลงไปไม่ใช่พยายามทําหยุดคือรู้เห็นแล้วก็เออยังเป็นตัณหาสิหรือวะเนี่ยเอาวางลงไปแล้วขำๆเนี่ยอ้าวเฮ้ยทำเอ็กกายการนี้กับตันหายไปเลยนะเฮ้ยวางมันลงไปกลับเห็นเห็นๆขำๆอย่างเงี้ยเอาเนี่มันตันหายแล้วเลยเหรอ พิติการที่ตันหายเหรอเอาพิติการที่ตันหายแล้วมื่ก็เห็นเห็นมันกำค้ำนี่แต่เห็นมันบ่อยๆทีๆมันก็วางมันจะหมดเองเที่ยมันมากเออถ้าคุไปเขี่ยมากไอ้สิ่งที่กูณพยายามเที่ยมากมันกลายเป็นเป็นปัญหาร้อนปัญหาติดพูดอะไรก็ผิดหมดเลยถูกจพูดอะไรก็โดนกินะพูดไปก็โดนกินพูดติ พูดสองไขเบี้ยจริงๆผมชิกไม่อยากพูดพูดเข้าหัวดแต่พอไปพูดข้างในมันก็หมุนดีก็ผิดอีกต้องเห็นต้องเห็นก็วัเช้านะที่ที่ตามงสุพลอูบอกว่าข อ, อบคุณหลวงตามากเลยที่ช่วยมาชี้แน่เนี่ยผมกัจยามากเลย ที่ผมติดมานานเนี่ยที่ผมติดมานานเนี่ยผมกระเจามากเลยเนี่ยทำให้ผมปล่อยวางได้โง่แบบว่าทำให้ผมปล่อยวางเลยทำให้ผมปล่อยวางได้ทํำให้ที่ผมติดมานานเนี่ยมันทํติดตั้งแต่สามแปดใช่ไหมพอทําให้ผมปล่อยวางแล้วก็อะไรนะคุณใช้คำ่าอะไรปล่อยวางทำให้ผมปล่อยวางทําให เบาแล้วว่างเลยใช่ไหมเบาแล้วว่างไปเลยแล้วถ้าก็ถามแล้ว่าโกศารหรือว่าอาจารย์ อ, ยอะัรนะั่นช่วยช่วยบอกผมหน่อยว่ามีอะไรที่ผมติดอีกไหมมีอะไรที่ผมยังติดอีกไหมก็เลยบอกว่านั่นไง ให้วางความอยากที่มาให้มันอยากจะไม่ติดนั่นแหละวางเลยนะความอยากจะให้มันไม่ติดเนั่นแหลนั่นวางเลยนะเท่ากับมันติดความที่จะไม่ติดแล้วอันเลยเรื้องวิเลยวุ้ยไปออกคืออยากที่จะให้ไม่ติด อะไรเลยถามอะไรไปมันก็อยู่ต่อหน้าจริงแล้วก็ไม่เห็นเองสักทีเลยอยู่ตั้งนี้ไม่เห็นเองสักทีเลยท่านบอกผมว่าท่านติดตรงนี้แ่าจะวรท่งานได้ปรยาย โดยเฉพาะวันหลังๆเนี่ยผมอัดอัดหนักมากเลยนะใช่ไหมวังหลังนี่ใช่ผมผมผมใส่งวดเขามางวดเขามาจี้เขามาจี้เขามาแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆไหลังๆเลยทีกตัดต่อวนเดนมาแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆอาการที่เป็นอะไรที่เกียนแล้วครับ จะลงไม่เนี่ยมาเล่าให้ผมฟังนะจะลงไม่เนี่ยจาะจะเอาลงไม่เนี่ยเอาลงมาดู เ, าลเลยภาบเลยพวกพี่ท่านไหนแข็งรถพูดกับแข็งไม่พูดเนี่ยอะไรสอนได้ไหมอะไรี่พูดดีกว่าดนะีกว่ามันได้ มันปลงมาแล้วก็แต่หมายถึว่าไม่ไอที่กั้นนไม่พูดเน่ยมันทิฏฐิไว้แต่มันไม่ยอมไม่ยอมปกลับใจก็ติดตรงนั้นแหละใช่ใช่ไอพุิพูดออกมาเถียงเข้ามาเสียงมาเอาที่เสียงมาที่เสียงพูดเลยก็อาที่พูดออกมาเลยพูดมาพูดดิพูดดิพูดมาดีเถียงมาที่เสียงมาดีพูดมาที่เอาพูดออาเลยมาดีโป้องกับไปมันเนี่ยป้องกับไปพ้อง มันทัถามมท่านเลยก็รมันซึ้บหรอว่าใจที่ขาดเข้าไมันไม่หมนี้เข้ามันมันเหมือนว่าไปต่อยกับไม่เห็นตัวตนอะเนาะไอ้พวกที่พยาธิคำว่าเพียงเนี้ยเหมือนไปต่อยอะไรกับที่มนมีตัวตนหนยแต่ถ้าลุกต่อยดูมีนมีเนวอะไรก็โดนโดนโดนอะอาบฝายก็เพียงเพียง S <S <S <S โดนล่ อ, อเต้าไว้ไฟเดียวหักโอ้ยของท่านอุกท่านเนี้ยหักโอ้โหหั่รถหลายวันแล้วหักหลุดตรงมาเลยอ่ะคลุดเลยอ่ะหลคนละเรื่องเลยจักมาพบกัครั้งแรกกันมาวันเนี้ยมาถึงวันนี้เนี่ยตามมาถึงนี่เลยเ น, นี่ยพนที่ตามมาถึงนี่เนี่ยสีที่ตามม า, ามคนค น, นี่ย ท, ทีมีผู้หญิงคนที่ตามมา ท, ที่อายุน้อยกว่าเขาหน่อยอันนั้นที่อยู่ในในเทปมันอาจารย์อาจารย์ที่เป็นอดีตรองผู้ในการจะบอกโอ้โหจะเอาลงไหมเนี่ยจะเอาลงไหมเนี่ยคือพวกนี้อยู่ในห้องอะ่ะโอ้โหเอาใจช่วยไม่เหงเลยมีคนไปว่าเขาแต่นั่นมีคนไปไปสอดเขาการคันอีกไปว่าเคขาอีอยู่ๆที่เรากาลังไล่ขี้ไล่บี้อยู่เนี่ย มีคนอยู่ก็สอดมากลางทางนาันบอกว่าหรือว่าเขายังไม่รู้อะไรเลยเขาเจา้ดดาถึงนิพพานเลยโอ้ <laughs> ไปพูดแทรกกันมาอีกอะ่ะตัดทิ้งเราเลยสวนกับคนนั้นเลยบอกว่าอย่าไปรู้เรื่องของคนอื่นในรู้ใจตันเองที่ไปเพ่งโทษเขาโอ้โหเงี <laughs> ยบกิฟแต่คนที่ได้ไประโยชน์ก็ได้ไประโยชน์เนี่ยคนที่ไม่ได้ไประโยชน์ก็คือว่าก็ไม่เข้าใจแล้วก็บางทีก็ไม่พอใจรวมต้องคนที่ไม่เข้าใจก็หายไปเลยก็มีเหมือนกัน หม่เข้าใจแล้วก็ไม่ไม่พอใจกมีทั้งพวกที่ไม่พอใจแล้วก็ที่ไม่เข้าใจแล้วก็หายไปพูดอะไรอย่างเง้ยใช่ใช่ใชติดต่อตั้งโตว่าน่าจะเป็นอย่างนี้พองังออกมาเป็นแบบนี้ไปเลยหายไปเลยมันเป็นความมากแบบคิดไดไเป็นไคนผมว่ามันก็ต้องเป็นเป็นกลุ่มพวกที่มีกัญญาเลยนะแบบ เริ่มฟังมีบุญเหรแล้วก็จะแอนตี้ด้วยมันอาจจะเหมาะกับกลุ่มคนประเภทเหมือนพวกเลี้ยงวัวที่ต้อนวัวอยู่ข้างหลังเนี่ะจะให้วัวเดือนไปแต่มีพวกหนึ่งเนีให้จูงจะมุดไรามว่าที่มาฟังหลวงพว่อวันนี้เป็นพวกที่เหมือนหลวงพ่อเป็นคนเลี้ยงวัวน่ว่าต้อนให้มันไปข้างหน้าะแไปหากินคอยหลับสอนคุ้มคุมเหมือนัน แต่พวกปัญญาจะได้อยู่แพวกผู้พิท c h ให้เขาจูงเนี่ยคุณไงวะใช่แม่จะเป็นอย่างนั้นผมมเคาะด้วยก็เหมือนอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเราให้ปัญญาเราไม่จูงเราให้ปัญญาอไปคิดพีนาราไปทำเองเราสอนให้คนมีปัญญาเราไม่จูงคนไป พระพุทธเจ้าก็ไม่จูงนะบอกเรายืนอยู่ตรงทางห้าแพร่งทางหลายแพร่งใครมาถามเราว่าจะเดินไปทางแพร่งไหนเราก็บอกไปว่าาแพร่งนี้ยไปนรกแพร่งนี้ไปทําเหตุอย่างนี้ไปนรกกลุมนี้ทําเหตุอย่างนี้ไปนรกกุมนั้นทําเหตุอย่างนี้ให้ไปเป็นเปรตสุรากายทําเหตุอย่างนี้ให้ไปสัตว์เดรัจฉานทำเหตุอย่างนี้ให้ไปสวรรค์เทวโลกทำเหตุอย่างนี้ให้ไปลูปภพทำเหตุอย่างนี้ไปอะลูกภพทำเหตุอย่างนี้เป็นมนุษย์เหตุอย่างนี้ไปโสดาตกาตาชานาคาอรหันแล้วแต่ว่าเหมือนกับพระองค์ออ่่ะยยยืนนูตรรงงเบี วงเวียนที่มันมีทางแยกออกหลายหลายช่องเนี้ยแล้วก็ใครมาถามก็เขบอกว่าเนี่ยทางนี้ถ้าทำเหตุอย่างนี้มันไปทางนี้เปรตอย่างนี้ไปทางนี้เหตุนี้บอกหมดนั่นไม่มีปิดบังหรอกแล้วก็บอกว่าพวกเหล่านั้นนี่ยไม่ควรเดินมันทุกทั้งหมดเลยควรจะเดินไปในเหตุที่ทางให้ไปบาสุดทิพย์พนแต่คนทั้งหลายไมนมีใครที่จะเดินไปมาสุติพ่านอย่างเดียวในโลกเนี่ยมันก็ไปนรกกันจนเยอะแยะเออไปเป็นเปรตไปสารฉานไปลัทธิลักรายไปเทวดาไปไปกันทุกทางเนี่ยมันทุกช่องแหละ แต่นี้น้อยนักด้วยนะมีน้อยนะที่เดินไปตามมาขวด น, นิพพานหน้าแปลกมากแล้วที่ไปถึงจริงก็น้อยเ อ, อแล้วที่เดินไปแล้วก็ถึงน้อยอีกน้อยคนที่เดินไปถึงแล้ขนาดเลือกเลือกเลือกทางแยกที่มาขวดนิพพานแล้วก็ยังที่จะไปถึงกันน้อยนะมันคือพระเจ้าเนี่ยชี้เหตุและผลทุกทางเลยเราก็ไปแบบนั้นเนี่ยเราก็เนี่ยทางานสอนศาสนา เนี่ยอย่พ่อแม่ครูบาอาจารย์คือพราพุทธร็ต่างปยียสงฆ์พ่าพแม่ครูบา ท, ที่ท่านอาจารย์ที่ท่านดําเนินมาเราเป็นผู้ให้ปัญญาคนเราก็ชี้บอกทุกฐานเลยเนี่ยคือเอา ค, คําสอนพระเจ้ามาชี้บอกเหตุและผลที่พระเจ้าได้ชี้บอกมาแล้วเพราะเราไม่ได้เห yeah. ็นเองเห็นวะพระเจ้าจะเป็นคนเห็นเองเป็นผู้รู้เห็นเองถ้าเขามาบอกเราแล้วเราก็รู้เห็นตามแล้วเราก็เอาคําสอนพระเจ้านไปบอกว่าเหตุอย่างนี้เนี่ยจะไปนะเราขุมนั um ่นกลุ่มนั้นขุมนี้เพราะพระเจ้าเห็นละเอียดโอ้โหกว่าเราเป็นทําเป็นกล้องสุรทัศน์ก็คือ เหละเอียดกว่าเราเนี่ยไม่รู้กี่ล้านล้านลาน้ลานเท่าเเราเห็นไม่เท่าท่านแต่เราก็เชื่อท่านไนะว่าโอ้โหเราขนาดกล้องของเราเนี่ยเห็นแค่บางส่วนเราอย่งมีความสุข ข, ขนาดเนี้ยโอ้โหถ้ากล้องของเราเห็นขนาดเนี้ยเห็นขนาดพระองค์นี่มันโอ้โหต้องสุดยอดแน่นอนนะขนาดเห็นแค่บางส่วนของพระองค์นี่เราเนี่ยไม่มีความสุขขนาดนี้แล้วเพราะโอ้โหไอ้ที่เดี๋ยวไมต้องพูดถึงเชื่อเลย นั่นเราก็เลยที่เอาคำสอนเจ้ามาโอ้ยเอ็นจีเหตุอย่างนี้จะไปทําเลยมันจะไปนรกเหตุอย่างเงี้ยไปทำเลยมันจะไปเป็ดสุรกายอย่างนี้ไปทําเล ย, ม, dites, ย, เยมันจะไปเป็นสัตว์เป็นฉันควรทําเหตุอย่างเงี้ยมันจะได้ไปสวรรค์เนีหมเหตุอย่างนี้น ไ, ด ไ, นนนได้ไปพรมาโลกอัลได้ไปเป็นรูปขพรมอัลรูปขพรมเห็นเหตอย่างเงี้ยไปมนุษย์แต่ไม่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็มีโอกาสกลับไปอภัาายสู่โสดาตากาค า, านาคารานไม่ได้นั้นน่ะเป็นสุขอย่างเดียวเป็นสุขอย่างเดียว ทางเนี้ยควรเดินแต่ว่าเนี่ยอาชีทั้งเหตุทั้งผลทั้งควรไม่ควรทางแห่งความเจริญให้เดินให้มากจะไปทางแห่งความเสือ่อมแต่ใครจะเชื่อต้องหมดนี้ทั้งบมก็เป็นเรื่องของเขาอะ่ะถ้ายังไม่ถึงโซดาเนะี่มันก็แก่เต็มไปด้วยความลังเลสงสัยถูกต้องขาดเยอะมากถูกต้อ ง, องมันก็ไปอาบายด้วยไงยังไม่ถึงโสดาบานไปอาบายด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยความลังเลสงสัยทิฏฐิมานาที่เป็นวิจารทิฏฐิ ถ้าคนที่ถึงเขาจะรู้ได้ทุกคนนะครับว่าตัวเองรู้ถึงกระแสแล้วนะตกกระแสตรงไรมันที่ใดมันว่างเปล่าเบาสบายไดหมดอันนี้แล้วก็มันมันไม่มันเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์เชื่อมั่นในหลักทรรคคำสอนแบบไม่ลังเลหลือเลยอ้ตวเอในความที่ลังเลสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติ ลังเลยสงสัยเนี่ยทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้หรือป่าอย่างนั้นหรือป่าหรอว่าอย่างงี้ต้องไปอย่างนั้นเอ๊เราทำอย่างนั้นจะไปยังไงอะไรตอนลังเลยสงสัยมันมีแล้วมันมันแน่วอย่างเดียวเลยเพราะมันเกิดอีกไม่เกินเจ็ดเจ็ดชาติเองเจ็ดครั้งเองอะ่ะอาจจะถ้าเป็นโสดาบานเทเอกไอพีซอันนี้มันชาติเยเ อ, อะอ่ะเพราะฉะนั้นโอ๊ยคนนี้มันแนว่วแนว่วมันตกกระแสไปแล้วมันไ ม, ไม่สงสัยนะ เหมือนคุณคุณเดินทางมาจากไหนเดินทางมานจะาต่างจังหวัดที่มาเนี่ยมาที่บ้านที่ลําพูนเนี่ยคือคุณเดินทางมันจะถึงใกล้มากแล้ว่ะตัวดาวบ้า น, นี่ยแล้วมั่นใจมากเลยเราะว่าทางอยู่ในใจเนี่ยไม่มีหลงทางรับรองเลยเพราะว่าทางอยู่ในใจจะมั่นคงไม่มีสงสัยในเส้นทางแล้วก็เดินทางมาแล้วจากที่คุณมาถึงตรงเนี้ยมันหนึ่งในสี่ส่วนแล้วและไอ ห, หนึ่งในสี่ส่วนเนี่ย คุณมันมันมั่นใจอยู่แล้วร้อยเปอร์เซนว่าหรืออีกสามส่วนเนี่ยมันมันมาได้แน่นอนแต่เออมันไปตายซะก่อนคือมันมาได้หนึ่งส่วนแล้วก็มันไปเกิดอุบัติเหตุตายซะก่อนคนเนี่ยถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุตายเนี่ยความที่เขาเนี่ยสิ้นสงสัยแล้วในเส้นทางและเขามาแล้วเนี่ยตั้งหนึ่งส่วนแล้วเนี่ยหนึ่งในสี่แล้วเนี่ยถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุให้เขาตายซะก่อนเนี่ยเขามาต้องถึงแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยทางนี้มันรู้แก่ใจแหละว่าแน่นอนในเส้นนี้ เขาึงบอกว่าสิ้นตรงสายแล้วหมายถึงว่าสิ้นตรงสายในตัวที่จะเดินทางแสดงว่าตัวอันแรกมันจะยากหน่อยนะยากอย่างเพราะว่าพอพอมันที่เหลือมันไปเองโมาทัี่เหลือจะสร้างเหตุสร้างเหตุสร้างเหตุ้มันเเองตัวดาบานันมีหลายหลายตอนหลายเทคนิคผมพูดไปนะว่าทิศตกกระแสแต่ผมก็ผมรู้สึกว่าอย่างนี้เนี่ยที่สิ้น ปล่อยวางกายบุ้มไปแล้วเนี่ยเนี่ยตัวตาบันที่ว่าสิ้นวิกฤติฉสิ้นมันจะสิ้นวิญฤติาเลยเพราะเป็นแล้วมันก็สิ้วิญฤาิาแล้วอะสิ้นทีแล้วบอกว่าเลยความเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธศาสนาประสงค์ความเชื่อ ม, าามั่นในสิ่ง น, นี้มันอยู่กับใจถึงใจเราสอันนี้มันผมอันนี้ชี้ชัดไว้ตัวาบันชี้ชัดไว้มากแล้วเราก็ชีช้ชัดต่อไปดนะ้วยในทุกหลายแฉกที่บอกว่าพอเห็นแบบนี้แล้วเห็นจิตเกิดดับ่ ้ที่บอกว่าตัวดับบารนเป็นอย่างที่ว่ากายกายและจิตมันเบางอ่มันไม่มีตัวตนไม่มีน้หนักด้หลายตอนมากตัดตัวกเองนีแคือจะตนรู้ได้ตัวเองหลจากนั้นน่ยมันมันเป็นไปเองเลย่จิตเกิดดับเองในความไม่มีอะไรก็มัลุกไปไอันนี้มันมันชัดตตัวเองแต่บางพวกมันไม่ไม่ผ่านตัวดบานนสิ คือมันมันตุ้มมันจบเลยมันไม่จะแบบโอต้องไปจิละขั้นอย่างนั้นทำไมเหมือนู่มันได้ได้อนาคาเลยก็ได้นาคาแล้วส่วนนี่ลวงปู่สิงทองเนี่ยว่าจะสิงลวงปู่สิงทองที่เครื่องบินตกว่าจะสิงทองอันนั้นรวดเดียวเลยเห็นเห็นไหมกางฟังฟังมาก็ฉันว่าการนอนก็ดีขาดูดูจิตดูกิเลสอ้าวหายหมดเลยกิเลสหายหมดเลยไม่รู้เลยท่านยังบอกว่าอวูซันอย่างมันไยืดไม่มาก เด็กนุ่มอยู่มั้งต้องบออ้ยกิเลสจะไปอยังเพิ่งไปโลกนี้ยังสิวิไลยังอยากเกิดอยากอยากเห็นโลกนี่มันลงนี่ยังสิวิไลอยู่ยังอยากเกิดอยู่อ่าไปหมดเลยกิเลสเลียดเที่ยดเท่าไหร่ก็ไม่กลับคือคือถ้าถ้ามันกําลังมันพอจะห้ามยังไงมันไม่อยู่ไม่อยู่ท่านท่านห้ามมันยังไงพยายามจะล้างมันก็ไม่คืนเลยหลตามหาบัวไปซับได้ลายเหลี่ยมไยอมรับแั้วไปเจอถิ่นทอในลุลละหันแล้วแต่ไม่มีวิธีเลยไม่สามารถบอกวิธีได้ว่าไปถึงตรงนั้นได้อย่างไร แต่จะบอกว่าไม่รู้อ่พอฟังมานะนะมันรู้จะทาอะไรก็นอนก็ดิขาดูดูจิตดูกิเด็เอาหายหมดเลยอ่านทีเฉยอยากจะรังไว้ก็ไปอยู่ก็ตรงข้ามแต่พวกที่อยากบรรลุยงม่บรเขาไม่บรรลุใช่ไอคนที่เขาอยากบรรลุไปแล้มันเอาไม่อยู่ายคร่เป็นย่างนัั้นสองครั้งแรกจะผิด่อจบเลยแหวกสองครั้งจบ มันไม่มีขั้นหรอกไม่มีว่าต้องเลี้ยงหนึ่งสองสามสี่หรอกคือมันบางทีมก็รวกทีเดียวจบเลยแล้วก็อย่างอย่างลุงปู่ท่ฉันมีชื่ออยู่ยังไม่มียังไม่มรณะภาพอะไรเลยชื่อที่บอกว่าป่วยอยู่แล้วไปดูไปดูไอ้น้แมนน้าโขมันเจิมนองแล้วก็เห็นว่าในในน้ํำในน้ําโขงมันเจิมนองโขมโขมมีปลาเยอะมากตอนนั้นท่านกำลังป่วย บอกโอ้โหเราป่วยอย่างนี้ก็โอ้โในร่างกายเราเนี่ยมันมีธาตน้ําเดยวมีน้ำเกลือน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ําะไรนั่นก็มนคมีเชื้อโรคเยอะมากเลยเหมือนน้ําที่เจิงนองในแม่น้ําโขงนีที่มันล้นตลิ่งสองป่งท่านก็เอ๊ะอย่านดินดีนที่มันรองใต้น้ําเนี่ยมันใหญ่กว่าน้ําอีกเพราะมันมีทั้งดินที่มันบกและดินใต้น้ําอีกอันนี้มันแล้วมันมีสัตว์อยู่บ่าอุ้ยทํเขาประกุมันมีสัตว์เต็มไปหมดแล้วยิ่งกว่าในน้าอีกดินในดินก็มีมีสัตว์เต็มไปหมดแหละ อ๋อในร่างกายก็มีผมกนเล็บปานหนาด้วยกระดูกับไต่ายเช่นน้อย่ามันสะบัดหัวใจเป็นธาตุดินโอ้ยเชื่อโลค ก, ก็ต้องเต็มไหมดเลยตอนแรกคิดโอ้ยทำจะทําลายเชื้อโลกให้หมดก็ไ่ได้เพราะว่าป่วยอยู่คิดแบบนี้ยทําก็ปรากฏว่าโอ้ยทําลายสัตว์ทาลายสัตว์ในดินในน้ำยังไงก็ตามถ้าจะมีดินมีน้ํามันก็ไอพวกสัตว์ก็ต้องกลับมาเกิดอีกมีที่มีน้าที่ไหนก็ต้องมีปลาที่นั่นแหละแล้วต้องทงําไงต้องทําลายดินและน้ําห้หมด สทั้งหลายก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยท่านก็โอพิจารณานอยู่ 4, จจสี่จดจอกัิจดจอ่อจดจอกับจิก็เป็นสี่วันสี่คืนจะเอาอะไรมาทำลายธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายเราเนี่ยดินกับทาน้ำเนี่ยให้มันสิ้นไอ้ไอ้เชื้อโรคสิ้นสัตว์ที่จะมาใายอยู่ได้ให้มันระเบิดตูมหายไปไม่ลงลงใจใจคือระเบิดปรัมนูจดจอคือมันสี่วันสี่คืนทำก็ประกวแล้ปรัมาูล้างโลกระเบิดปรมนูล้างโลกระเบิดปรัมาูล้างโลกเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า ร่างกายเราจิตใจเ น, น, นี่ยขันห้าเนี่ยรูปขันขน้ำขันเนี่ยเป็นโลกแล้วก็โลคก็คือลูกโลกเรานี่ก็เป็นโลกแล้วก็ไอ้ไอ้เนี่ยร่างกายจิตใจเราขันหน้าก็เป็นโลคก็เลยโอ้เราบดปรมาณูล้างโลกเราบดปรมาณูล้างโลกท่านมีความรู้สึกอาระเบิดปรมาณูปรมาณูเนหย่อนลงมในตัวแล้วก็ระเบิดตูมท่านบอกว่าตูมเท่านั้นในความรู้สึกเน่ยไม่มีเหลือธาตุดินธาตุน้ําเนี่ยมันไม่มีเหลือเราเป็นชิ้นเลยอ่ะมันหายไปเลยวัดไปเลยกับสายตาหายวัดไปเลยอ่ะ แทนที่คิดว่าจะเพียงว่าจะทํำลายแค่ธาตุดินธาตุน้ําแล้วไอเชื้อโลกเนี่ยมันจะไม่มีที่อยู่แต่บันเลยพีอีกอ่ะคือตูมเดียวเหลือแต่เอาอกาศตัวต้นหายไปด้วยบรรลุอรหันต์เลยเฮ้ยทำไมตัวตนไม่มีวะหาตัวตนไม่เจอบรรลุอรหันเลยนี่ตูมเดียวเลยนะทำยังไงโอ้ท่านเราเราฟังหลายรอบเนี่ยท่าตรงเนี้ยท่านเราเราฟังท่านมาได้ตอนอายเยอะหนี้ยภาษาที่สี่ แล้งว่าการทำม า, ามันจึงไม่มีขั้นไงไม่มีขั้นขนาดว่าการดิบุตโมฆะลาอย่างขั้นสองทีนะเป็นตัดาวก่อ น, นดิทีเดียวเลยแล้วดิทีเดียวจบเลยทีเดียวแสดงว่าอยู่มาในา ย, ยู่ คงเคาะโลดคมเคาะอะไรไปเนี่ะ <laughs> สบายมานานแล้วลุงผู้ทาท่า น, นเคยเล่าท่านสอ น, น, นท่นนานทะ่านนเย้มเลยได้ได้จะเล่าวิธีเล่าเล่าว่าไอ้ลุงผู้ทานี่เล่าลุงทาจสมมงใช่ก็ลเล่าเรื่องไอ้ตอนแรกะก็ น, น้อมวิธีดัวนก็คือน้อมเอาดอกบัวบว่าที่หัวใจหัวใจหัวใจจริงๆก็คือไอ้หัวใจจะเป็นกายนี่แหหัวใจนี่แ ที่อยู่เบื stone, ้องซ้ายเนี่ยเพราะว่าถ้าท่านทําอย่างเนี้ยท่านถูกจริตท่านน้อมน้อมเอาดอกบัวมาไว้พระไหว้พระพุทธเจ้าแต่แทที่จะเอาดอกบัวมาไว้ในมือของท่านน่ยท่านนึกน้อมเอาดอกบัวมาไว้ในใจคําว่าในใจของท่านท่านหาใจไม่เจอท่านก็เลยล้าลองเอาก่อนเอาไอ้ไอ้หัวใจที่เป็นเป็นใจเนื้ออยู่หน้าอกเบื้องซ้ายเนี่ยเอาเอาไว้สะก่อนแล้วก็น้อมเอาดอกบัวมไว้ในใจคือคําว่าเนี้ยที่ว่าน้อมดอกบัวมาไว้ในใจดอกบัวบูชาพระไว้ในใจ สเลน้อมเอาดอกบัวบูชาพระมาในใจในใจคือหัวใจที่เป็นหัวใจเนื้ออยู่บนอกบนใจพอนอนปุ๊บจิตมันมันมันถูกกับไปดอกบัวที่บูชาพระปุ๊บมันไม่ไปไหนไม่พุ๊บได้ไปไหนจิตมันรวมเป็นหนึ่งเดียวเลยกับดอกบัวนั้นดอกบัวนั้นหายไปมีแต่ความสุขความสว่างสุขสุขสุขสุขุขสุสุขจนล้นอ่ะสุขจนล้นล้นลนนนนโอ้โหสุขป้าเลยสุขป้าสุป้าสุขจนล้นอ่ะ ตอนเนี้ยตอนที่ท่านเห็นนะโอ้โหความสุขมันจะล้นแต่พอไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่มีที่ไปแล้วความสุขมันก็หายสูงสุดแล้วมันก็หายไปเลยโอ้สุขก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงอีกตอนที่สุขมันหายเนี่ยสุขสูงสุดแล้วก็สุขก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงโอ้สุขก็ไม่เที่ยงมันโอ้สุขก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงเลยเนี่ยสุขก็ไม่เที่ยงเลยเนี่ยมันเราพึงตามเลยอสุขไอ้สิสุขลนล้นล้นลนวัดคือเหมือนไอ้นไปสสูงุอ้คนทีไป ไอ้ที่ก็ยิงบางไฟบางไฟชาวอีสานหรือว่ายิงยิงไอ้อะไรไว้ยิงไอ้ไอ้คุกวันเฉลิมพระชม์ศาสนาใช่ไหมมันยิงสูงไงก็ปุ้งขึ้นไปสูงไงก็ตามไอ้ลูกไหนสูงไงก็ตามที่วันยิงพูดอกไม้ไฟวันเฉลิมพระม์ศาสนาเนี่ยที่ไงพอดูสูงไงก็แหววตกลงมาหมดอย่างเงี้ยโอ้โหตอนที่ตกใจท่านมันสติปัญญาใจของท่านขวาร้สุตันบอกโอ้โหสุกนี่เราก็ไม่เที่ยงสุกนี่เราก็ไม่เที่ยงนี่เราก็ไม่เที่ยงอาจารย์วางไปหมดเลย แล้วอะไรเกิดขึ้นในใจของท่านตอนนี้มันไม่ใช่หัวใจแล้วเพราะหัวใจมันไม่มันกลายเปลี่ยนไปเป็นหัวไอ้ไอหัวใจที่ดอกโบนในหัวใจนี่คือทั้งหัวใจช่องดอกบัวที่ไว้ในหัวใจเนื้อเนี่ยมันหายไปแล้วตั้งแต่ตอนที่มันมีแต่ความสุขความสว่างฮะมันกลายเป็นมีจากไอ้รูปเนี่ยมันไปนเป็นนามแทนเป็นความสุขความสว่างแทนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้ความสุขนั่นก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่งใจของท่านเลยปล่อยวางหมดพอใจวางหมดเนี่ย ไอ้ทุกความรู้สึกเดิมคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของท่านไม่มีใครก็ไปยึดมั่นถือมั่นเลยานใจเลยใช้คำว่ากู้สุดซื้อกู้อุซื้ อ, อ, อ, อตอนจบของท่านเลยใช่ก็จบเลยเป็นทางอนท่านมเหมือ น, นเออไม่มของลวพุทธาท่านไม่ไม่พูดถึงเรื่องการทิจารณาก่แปลว่าจิตล้วนๆเออท่านเดินทางแบบนี้ แล้วผมอยู่กับท่านท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องกายแต่อย่างนี้เนี่ยมันน้อยเขาปวดบ้านตอนที่ผมออกมาจากท่านเน่ยท่านบอกว่าลกตาอย่างไรอย่าทิ้งกายออืคือถ้ามันพันก็คงเป็นห่วงว่าเดี๋ยวลูกศิษลูกหาเราไม่พิจารากายท่านบอกมันกระโดดข้ามนะมันมักง่ายมันจะกระโดดขึ้นต้นไม้ขึ้นยอดไม่ขึ้นติโคนท่านบอกว่าคือหมาถึงว่า ให้ทิ้งทั้งกายและจิตก็คืออย่าลืมกายด้วยจะแม้แต่จะทิ้งจิตก็ต้องทิ้งกายด้วยแต่ท่านก็พูดว่าเนี่ยผู้ที่เห็นจิดชัดชัดๆแล้วปล่อยวางแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆไปฟังคนตล่าฟังวันนี้เรามาพี่าณากายเนี่ยมันเสื่อมไปเลยสับสนแล้ผู้พิจาากายอยู่ดีเห็นชัด ๆ, ๆ, ๆไปฟังไอ้ผู้พิจาาจิตก็เสื่อมอีกใช่ต้องของตัวเองใช่ไม่ต้องของตัวเองว่าตัวเองต้องมั่นใจในเส้นทางเลยของตัวเอง แต่เมื่อวันตอนตเดินทางมาก็มีพระท่านถามอรชาวอ่ะถามผมอ่ะอาจารย์ชาอาจารย์แล้วไอ้พี่พี่ผมเนี่ยอาจารย์ให้ผมดูความคิดที่ผิดแต่ผมผมยผมทําแค่นี้ทำแค่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมบอกไม่ใช่ถ้นานเอาคําสอนผมที่ผมพูดเนี่ยที่จะมาเจอผมตั้งแต่คำนู้นครั้งแรกเลยผมพูดตรงเนี้ยแล้วท่านจะติดนิงเงินขายผมแล้วก็ปากกระซิบเงนินขายผว่ า, าการผมต้องดูต้องพิจารณ า, ายอย่างนี้ตลอดเวลาหรือไม่ ก็ท่านเนี่ตัดต่อไฟเสียงผมต้องเยอะแยะแล้วก็ท่านชาวกองฟาร์มผมมันต้องเยอะแยะที่ตอนนั้นท่านต้องสรุปได้แล้วว่าด้วยสติปัญญาของท่านว่าโอ้โหตรงเนี้เส้นทางเดินของเราเลยตรงนี้ไอ้ตำรวสอตั้งนานแล้วแต่ปตัจจุบันนะท่านก็แจถึงตรงนี้แล้วต้องเอาทันลงในปัจจุบันปัจจุบันแต่ถ้าไปเอาเงื่อนไขที่ท่านมาขวางไว้ตอนนี้เราไม่ฟังไม่ใช่ของเราผมยังว่ามาันในรถนะท่นท่านออกกับท่านชาวแล้พอตรงเนี้แล้วก็จะเอาตรงนี้มาเอตรงนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยตอนนี้ไม่ฟัง อาจารย์ไม่ได้บอกให้เราทนนันอย่างนี้แล้วถึงตรงนี้พอบรรยายตรงนี้ไม่ฟังมันจะเอาไอ้ความไอ้ความเห็นทุกเนี้ยไปตัดตอนหมดเลยเล็กก็บอกท่านบอกว่าเฮ้ย e ไม่ใช่กูต้องฟังให้หมดเลยทุกการเนี้ยต้องเปิดใจฟังให้หมดเดี๋ยวมันก็จะปิ้งอันใหม่ปิ้งอันใหม่ปิ้งอันให ม, ใหม่แล้วเราก็จะรู้เส้นทางเราเดินยังไงโอ้าทางเราทางเนี้ยตอนนี้ณณเวลาเนี้ยเราจะผลทุกได้เพราะตรงนี้ไงไม่ใช่ว่าเอาคําสอนตั้งแต่เจอกันตอนโู้นตอนนี้แล้วก็ล็อกไว้แล้วสักเกินนี้ไม่ฟังอะไรเงี้ยไม่ใช่ของเราอันนี้อัน เหมือนว่ามันมันผ่านด่านมาสู้แล้วก็เปลี่ยนหน้าอาวุธมันก็ต้องเอาใหม่ๆไปสู้กัมันใช่แต่นี้มันโหโกพร้อมอีกแ่็ตีตอนนั้นมาถามเราเหมือนกับว่าจะไอ้ที่จะทำสงครามไอ้แล้วไอ้ที่็ขชนจ้างเน่ะตอนนี้มันข้าศึกมันชักอาวุธอานนู้นมามาถามเราเนี่ยกิเลสมันชักอาวุธนี้มาเราก็ต้อง ชักอาวุธอันนี้ไปให้สู้ให้ให้ให้เหมะสมกิเลสคือตอนนั้น<อ>เรากดปุ่มมาแล้วแล้ว เ, <อ>เราต้องกดปุ่ม <laughs> ใช่แต่ตนี้มันผ่านไปหลายวันแล้วฟังคาบรรทุกขนาดนี้ตั้งเยอะแยะแล้วไม่รู้ว่าโอ้โหกิเลสศัตรูนี่มันชักอาวุธอะไรประเภทอะไ ร, ะไรกี่ประเภทแล้ ว, ลวเรายังอาวุธอย่างเก่าอยู่เลยแล้วก็บอกว่าอาวุธอย่างอาวุธอย่างใหม่ให้ใหมาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาวุธอย่างเดียวเอาของง่าไปสู้เขาอย่างเดียวเขาเปลี่ยนอาวุธไปรู้กี่อาวุธแล้วเราต้องให้ชักให้ทันกับเขา เขายิงโท ร, ร, รมาฟอกไม้ดิถือม่เอะไรใช่ใช่ไอ้อย่างเงี้ยมันจะต้องบอกว่าไปเอาแล้วแบบนั้นต้องปรับไปสติปัญญาให้มันทันเหตุการณ์โอ้โหโลกมันเปลี่ยนไปเยอะปัจจุบันเนี่ยอะไรเงี้ยอ้เมื่อกันแนี่ยการต่อสู้กีเล p ต้องเปลี่ยนไปทุกขณะปัจจุบันสติปัญญาเราพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วสติเปในกีเล p มันก็พัฒนาเราต้องพัฒนาสติปัญญาให้ทันกันอันนี้คนก็ยังไม่เข้าใจตรงเนี้ฮะ เขบอกว่าเจอตอนไหนก็เจอเราตอนไหนหรือว่าครูบาอาจารย์โอ้โน้ตหลวงได้บอกไว้ก็ล็อกอยู่ตรงนั้นแหละอันนี้ไม่ใช่ของเราก็ไม่ทําล้อันนี้ไม่ใช่ของเราไม่ฟังอันนี้ก็ไม่เอาไม่เอ า, เอาตายแบบเนี้ยตายแบบเนี้ยผมว่าเกิดขึ้นต้องรับใจผู้ป่วยข้าเอากิจกิเลสมันเปลี่ยนตลอดเวลานี่ว่ามันเหมือนกับเรียนว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้มันเปลี่ยนเร็เรวมากเลยถ้าเราไปเอาเ่ะไม่เอาก่อนนี้ก็ให้โทรศัพท์ มือถือยี่ห้อตั้งแต่สมัยก่นอนว่าไอ้ไอ้หัวหมาคอหมาอะไรนะตั้งแต่สมัยไอ้กระดูกหมาอะไรใหญมากเราแตใช้แต่อันนั้นเราไม่ยอมเปลี่ยนแล้วเราจะไปใช้ยังไงทันเขาตอ น, นนี้มันตีจีแล้วเนี่ยอะดึงเสาเลยเอออย่างสมัยก่อนเนีโอ้ยเอออโตโร ล, ล่าใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้โทรศัพท์มือถือเดือเนเป็นไอ้กระดูกหมาหูใหญ่มากเลยแล้วก็ไอ้เสาอากาศมันก็ยาวมากเลยหนาขนนาดแล้วก็ ได้ไมาแต่สมัยนั้นน่ะได้ไมาตั้งนานแล้วเนี่ยอยพอแม่ครูบาอาจารย์ให้มาแล้วไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเฮ้ยมันฟังไปมันก็ต้องมีสติปัญญาทิพัฒนาตามโอ้โหเทคโนโลยีสมัยใหม่โอ้ยกิเลสตัวใหม่มันเข้ามาตัวใหม่เข้ามาเราต้องมีสติปัญญาทันมันอ่ะมันฟังไปตอนนั้นเราไม่เปลี่ยนเลยไ ม, ไม่ทันกันใครเอาโทรศัพท์มือถือยี่ห้อใหม่สามจีสีจีสองจีแล้วสามจีสี่จีสมัยนี้มันสี่จีแล้วไม่เอาแล้วไม่สนใจ แล้วสุดท้ามันก็ลองรับไม่ได้โว้อ้ยเอกระดูหมามันลองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้ใช่มันก็เลยทู่จิเล่ที่ไม่ได้เลยเพราะจิเล่เปนเปลี่ยนหน้าชนเราเรื่อยแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนหน้าเราทื่อๆอยู่นี่เขาเรียกว่าเรื่องนี้ชื่อวิญญาณบางทีเนี่ยเราเห็นพ่อแม่ครูบอาจารย์ร่างประบติท่านบาที่อาจารย์ท่านเนี่ยบอกว่าทำอย่างนี้นะแล้วเราก็เดินหานหลังไป พอท่านเดินหาหลังไปอีกทีท่านกลับมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ที่บอกเมื่อกี้ไม่ต้องทานะทาอันใหม่ทาอันใหม่ท่านยังงงอ่ะไอที่บอกเมื่อกี้เหมือนยังไม่ได้ทาเลยแต่ท่านพอท่านหาหลังไปุ๊บท่านรู้เลยว่าไอเนี้ยมันเปลี่ยนแล้วภูมิจิตภูมิธรรมมันเปลี่ยนแล้วท่านันกลับมาปุ๊บเลยเฮ้ยเมื่อกี้ที่บอกเมื่อกี้ไม่ต้องทาทาอย่างอันใหม่ทำอย่างอันหมนี่ทำอางนี้ทอย่างนี้เนรื่องสวตัวทจิตสนบุคใจใช่เพราะว่าคิดคยึดเนี่ท ปีหนึ่งเนี่ยตัปีหนึ่งไม่ครับก็ุดปีหนึ่งเราไม่สอนอะไรเลยกิจวัตรใจนะมุดตัวกั น, นะกนปีหนึ่งยนะังมุดตัวบางคนหานหลังเปลี่ยนเลย